พระป่าผจญผีสาวท่านเล่าถึงความกล้าหาญของพระป่าองค์หนึ่งให้พระเนนฟังดังนี้เขาถือเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าภาคไหนในเมืองไทยเรานี้ เมื่อคนตายแล้วต้องเกี่ยวกับพระพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้ระลึกถึงพระองค์ที่ว่ากล้าหารเต็มที่ขี้คลาเต็มตัวจนจะตายท่านไปภาวนาอยู่ในถ้ำอดอาหารเที่ยวไปนั่งอยู่ตามทางเสือทางอะไรนั่นแหละน่าเสียดายนะพระองค์นี้ถ้าหากว่าจิตใจ ได้เหนียวรั้งครูอาจารย์ไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์จริงๆก็จะไม่เสียนี้ศึกไปแล้วทราบว่าศึกแต่ผมไม่เห็นได้ทราบว่าศึกแต่ก่อนแกเคยเป็นนักเลงจิตใจอุ้ยเด็ดมากสมเป็นนักเลงว่าไปไปว่าอยู่อยู่จริงจังมากทีเดียวตอนแกปฏิบัติตัวเองแกก็จริงจัง กรัวผีนี้เป็นเบอร์หนึ่งเวลาจะแก้แก้จนกระทั่งกล้าหาญเบอร์หนึ่งเหมือนกันในตัวเองไม่มีสะทกสะานเลยเรื่องผีไปที่ไหนอยู่ได้หมดเพราะการแก้ได้ไม่ใช่มันหายไปเฉยๆหายด้วยอุบายวิธีแก้ด้วยธรรมมีความรู้แปลกๆเหมือนกันพระองค์นี้เวลานั่งภาวนา กลางคืนเขาตายในบ้านท่านก็รู้แล้วเออวันพรุ่งนี้จะมายุ่งเราอีกแล้วนี่คนตายแล้วในบ้านนั่นท่านรู้นะแล้วก็มีจริงๆแถวนั้นก็ไม่มีพระสถานที่อยู่ถ้ำกับป่าช้าห่างกันเท่าไหร่กี่กิโลตั้งห้าหกกิโลลงไปข้าวก็ไม่ได้กิน แทบล้มแทบตายเมื่อล้าก็ต้องได้ไปนี่แหละเรียกว่ามันแยกกันไม่ออกอย่างนี้คนตายรายใดเป็นรู้แปลกอยู่นะพระองค์นี้ท่านบอกนะมันรู้และแน่นอนด้วยถ้าสมมุติว่าเป็นแบบโลกโลกก็ว่าพนันกันได้เลยบ้านนี้เขาตายแล้วคืนนี้ เขาจะมานิมนต์เราแล้วบางทีก็มีเทพพวกเทพมานะท่านก็พูดถึงเรื่องเทพดีเหมือนกันเทวดาที่อาศัยอยู่ตามถ้ำไม่ใช่เป็นรุขะเทวดารักษาดินว่างั้นอันนี้แกไม่มีเรียนมากนะมันเป็นขึ้นตามนิสัยอันนี้แหละจิตเมื่อมีความสงบเข้าไปแล้ว ไอ้เรื่องนิมิตต่างๆที่จะมาปรากฏตามจริตนิสัยหรือไม่ปรากฏนั้นก็เป็นตามจริตนิสัยด้วยกันไม่ต้องเรียนอันนี้เป็นขึ้นมาเองเมื่อเป็นขึ้นมาแล้วนั่นแหละต้องเรียนวิชาการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นผิดได้เพราะอันนี้ไม่ใช่ของดีโดยทายเดียว ถ้าหากเราได้รู้วิธีปฏิบัติกันโดยถูกต้องแล้วก็เป็นเครื่องมือได้ดีอันนี้พวกนักปฏิบัติรู้แปลกๆต่างๆสมัยที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี้ก็เคยเล่าสู่กันฟังสนุกสนานดีเหมือนกันที่เราเขียนในหนังสือปฏิปทาพระธุดงกรรมฐาน สายท่านอาจารย์มั่นหรืออะไรนั้นมีแต่ความจริงทั้งนั้นนะเช่นบางองค์อย่างนี้เขียนเรื่องราวขององค์ไหนออกมาหากแต่เราไม่ระบุเท่านั้นแหละเอาเรื่องของท่านองค์นั้นองค์ น, งนั้นออกมาเลยเป็นความจริงความจริงเป็นบางรายก็ไปอยู่ความรู้รู้เหมือนกันนี่ก็ค้านกันไม่ได้เอา องหนึ่งไปอยู่ถ้านั้นเอาองหนึ่งไปอยู่ถ้านั้นได้สามคืนเผ่นมาแล้วมาหากันโอ้ยอยู่ไม่ได้ไม่ทราบมันเป็นยังไงมันผีหรืออะไรก็ไม่รู้แหละผีกามมาลากมันเอาศีรษะห้อยลงเพดานถ้านี่มันหย่อนลงมานี้ต้องขออภัยนะมันเอานมมาใส่ตัวเราเอาหัวหย่อนมานี่ แคกุศลธรรทำอะไรมันก็ไม่ยอมรับว่างั้นจะเรินเมตตามันไม่รับมันจะรับแต่กามกิเลสอยู่นี่สามคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยมันมาแสดงอยู่อย่างนั้นก็เลยลงไปไปหาเพื่อนอีกก็เล่าเรื่องให้ฟังเอาถ้างั้นอยู่ถ้ำนี้ผมไปเองนะพระองค์นั้นก็รู้เหมือนกัน มีความรู้ทางนี้เหมือนกันไปอยู่นั่นก็เหมือนกันได้สองคืนเห็นมาเลยโอ้ยจริงๆเอมันเทวดาอะไรพวกนี้มันผีอะไรทำไมมันกําหนักกําหนาเอานักหนานะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมีแต่จะเอาท่าเดียวเรื่องกิเลสกับเรื่องกามกามมราคทำอะไรก็ไม่ยอมรับเรียกว่า พวกนี้พวกหนาแบบบอกบุญไม่รับไม่คานกันนะรู้จริงๆทำแบบเดียวกันแหละว่างั้นที่แรกองค์นี้เล่าให้ฟังก่อนเอาผมลองดูหน่อยมันเป็นยังไงวะเป็นที่รู้กันพอไปเข้าก็โอ้ยยอมรับอย่างนั้นหละถ้ามันเห็นเหมือนกันรู้เหมือนกัน คานกันได้ยังไงเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นสัญญาอารมณ์ปุ๊บปับ๊บท่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเคยเป็นมาแล้วนี่เข้าใจแล้วเข้าใจวิธีปฏิบัติสัญญาอารมณ์ไปหลอกเจ้าของก็มีเช่นบอกไปอย่างนั้นแล้วไปเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาก็มีแต่นี้เป็นผู้มีพื้นเพทางนี้ อยู่แล้วด้วยกันเข้าใจด้วยกันเคยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจอะไรต่ออะไรให้กันฟังจนเคยชินหรือเป็นที่แน่ใจต่อกันและกันแล้วเหมือนอย่างว่ามีอะไรอยู่นั่นนะ่ะผมถึงได้มาที่นี่เอาเถอะท่านไปดูสิโอ้ใช่แน่ ตาเรามีเราก็มองเห็นอ๋อใช่นะเป็นอย่างนั้นจะว่าไงหูเรามีก็ได้ยินภายในมันก็เป็นเหมือนกัน พยานาท่านอาจารย์สิงห์ทองเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นต่อมาจึงได้มาอยู่ศึกษาอบรมกับหลวงตาท่านมีนิสัยกล้าหาญไม่กลัวอะไรง่ายง่ายแต่คราวที่ท่านไปพบเหตุการณ์ อันน่าสะเพงกลัวอย่างหนึ่งเข้าท่านจึงบอกท้าพวกที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงให้ไปลองพิสูจน์ดูหลวงตาเล่าเรื่องนี้ไว้ว่าแล้วท่านสิงห์ทองยังอยากจะให้พวกนักวิทยาศาสตร์เก่งๆว่าไม่มีผีไม่มีอะไร ให้ไปอยู่ภูเขาลูกนั้นภูเขาลูกนั้นเราก็เดินผ่านไปผ่านมาอยู่มันเป็นตีนเขาข้างบนมีถ้ำอยู่สองถ้ำมีหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ทางนั้นถ้ำหนึ่งแล้วเป็นซอกเขาลงมาน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วมีอีกถ้ำหนึ่งครั้นเวลามีพระมาใหม่มาเยี่ยมมาพักอยู่ถ้ำนี้ ผีนั้นก็ลงมาจากโน้นนะจากภูเขาบนหลังเขานั้นมีแอ่งน้ําอยู่ไหลอยู่ทั้งแล้งทั้งฝนหากไม่มากนะหากไหลอยู่ทั้งแล้งทั้งฝนเขาเขียนประกาศติดไว้ว่าไม่ให้ผู้หญิงลงอาบน้ํานั้นถ้าผู้หญิงลงอาบน้ํานั้นจะเหม็นคลุ้งไปหมดเลยเขาห้าม เขาเขียนประกาศติดเอาไว้ถ้าต้องการก็ให้ตัดเอามาดื่มมากินมาอาบถ้าไม่ให้ลงไปอาบนั่นหละเป็นความจริงถึงขนาดนั้นหละน้ำเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าผู้หญิงลงไปอาบน้ำนี้เหม็นคลุ้งไปหมดเลย มีพญานาคอยู่ที่นั่นหลวงตาองค์นั้นท่านอยู่นั้นเป็นประจำท่านชินกับสัตว์ตัวนี้พอแล้วพอลงมาจากภูเขาเหมือนกับเราลากต้นจานทั้งต้นเอาต้นตานทั้งต้นลากลงมาเสียงซาซาลงมามันค่อยลงนะซาซาลงมาซอกเขานี่หลวงตาองค์นั้น อยู่ทางด้านนั้นท่านอยู่ถ้ำ น, นั้นเป็นประจำแล้วถ้ำนี้คนมาพักบ่อยๆพระนะถ้าใครมาพักพระมาใหม่ไม่ว่าพระองค์ไหนมาจากไหนก็าตามเถอะตัวนี้เขาจะลงมาถามข่าวทีนี้หลวงตาก็เลยสั่งบอกไว้กลัวว่าพระจะกลัวคือกลัวว่าท่านสิงห์ทองจะกลัว ท่านสิงทองเป็นพระขี่ดือ้อนิสัยกล้าหาญขี่ดือ้อจึงได้หมอบราบกับผีนั้นละสี่พูดท้าทายเลยเถยวนะใครเก่งว่าผีไม่มีแล้วให้มาตรงนี้ถ้าไม่อยากเห็นกลางคืนทีนี้พอมาถึงผู้เท่าก็บอกคุณหลานเอ้ยพี่น้องจะลงมาเยี่ยมนะตอนค่ำวันนี้ เพราะคุณหลานมาใหม่เป็นพระอาคันตุกะเป็นแขกมาเยี่ยมแล้วไอตัวอยู่ข้างบนเขามันจะลงมาถามข่าวถามคราวไม่ต้องกลัวนะเขาจะลงมาธรรมดาแต่เวลาเขาลงมาก็เหมือนลากต้นตานทั้งต้นลากลงมาซาซาเวลาเขาขึ้นก็ซาซาลงไปตีนเขาแล้วหายเงียบนะ พอไปแค่นั้นเงียบเวลาขึ้นมาก็ซาซาเวลาขึ้นมาไม่ทำก็มีแล้วแต่เขาจะทำเขาจะทำแบบไหนเขาทำได้พอดีท่านสิงห์ทองมาเหนื่อยเหนื่อยเดินทางมาไม่มีรถยนต์พอมาถึงที่นั่นก็เข้าพักผู้เท่าก็สั่งเสียไว้เรียบร้อยกลัวผีนั่นหละทางนี้เข้าใจแล้ว ก็นอนประมาณสามทุ่มคนจะตายเดินทางทั้งวันเหนื่อยมากเลยนอนเสียก่อนถึงจะลุกขึ้นเดินจงกรมพอนอนหลับไปเสียงห่อหออยู่หัวเตียงงูเหมือนงูใหญ่เรานี่ขนาดเท่าต้นเสานี่แหละเสียงมันห่อห้ออยู่บนหัวเรานี่ทางท่านสิงทองนั้นก็เรียก หลวงพ่อหลวงพ่อแม่นยันมันเสียงงูใหญ่มาอยู่นี่แล้วมันบอมแม่นเสียงที่บอกนั่นแหละอย่าไปกลัวบอกกลัวยังไงมันจะงับผมอยู่เดี๋ยวนี้เสียงดังห่อห้อน่ะสิมันจะงับผมอยู่เดียเยดยเด๋ยวนี้มันจะกลืนผมไม่กลืนไม่ต้องกลัวมันเคยอย่างนั้นแหละ จะเป็นไรไปเชื่อหลวงพ่อเถอะเพราะหลวงพ่อเคยอยู่นั้นมานานแล้วนี่นะจะเชื่อได้ยังไงมันจะกินคนนี่เลยเรียกให้พระมาด้วยองค์หนึ่งนอนทางโน้นถ้ำมันยาวนอนอยู่ทางโน้นเรียกพระองค์นั้นให้จุดไฟใส่โคมมาแขวนมาแล้วเอาไม้โยยาวมาจะหิ้วมานี้ไม่ได้ เดี๋ยวจะมาเหยียบงูเอาไม้ยาวๆแล้วเอาโคมไฟห้อยมาถือมายาวๆคนไปเรื่อยฉายไปเรื่อยพอมาถึงเตียงมันก็หายเสียเงียบเลยเสียงห่าห้าไม่ได้ยินอะไรหายเงียบคนจึงกลับไปพอกลับไปสักเดียวขึ้นมีเสียงขึ้นอีกแล้วมาอีกแล้ว คนนั้นได้จุดไฟมาหางูทั้งคืนจุดไฟมาแบบนั้นล่กกลัวจะมาโดนงูเข้าเพราะเสียงงูใหญ่เสียงโตมากนี่นะพอมาก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ได้คืนเดียวเท่านั้นละ่ะท่านสิงห์ทองทำไมละ่ะกลัวละสิยอมรับว่ากลัวกลัวจริงๆโหเหมือนมันจะกรืนเราทั้งคนนี่นะ ตัวมันจะขนาดเท่าลำตาลงูตัวนี้พยนาคพอตื่นขึ้นมาไปลาหลวงตาว่าอย่างไรละ่ะลูกโอ้ยกลัวงูอยู่ไม่ได้แล้วไปกลัวมันทำไมหลวงพ่ออยู่นี่มานานแสนนานรู้เรื่องของมันหมดไม่มีอะไรแหละอย่าไปกลัวเลยโอ้ยกลัวกลัวถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว ใครเก่งว่าผีไม่มีให้มาถ้าไม่อยากเห็นกลางคืนเอาจริงๆนี่นั่นหลักเสียงมันเป็นอย่างนั้นเวลามันแสดงพญนาคมาเล่าให้อาจารย์หมออวยฟังโอ้ยตั้งใจฟังสนใจฟังอยากจะไปด้วยนะอยากจะไปดูสภาพเป็นยังไงอยากไปดูเป็นกําลังแต่ไม่มีเวลาพอที่จะไปดูได้ ไปดูถึงที่เลยไปดูเหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงไปดูก็เห็นจริงๆนั่นแล้วเพราะเป็นอย่างนั้นมาเป็นประจำว่าขอแต่แขกคนมาที่นั่นพอตกตอนกลางคืนเขาจะลงมาเขาก็ไม่ทำไม่หละลงมาถามข่าวธรรมดาแต่เสียงมันทำได้แปลกๆนะแบบงูก็ได้แบบเสือก็ได้ แบบไหนได้หมดไม่ใช่มีแบบเดียวที่มันน่ากลัวคือมันหลายแบบนั่นเองบางทีเหมือนเสือเฮอเฮอใกล้ๆข้างถ้าเสือมายังไงว่าอีกละมันไม่ใช่เสืออันนั้นละ่ะว่าอันนั้นก็เข้าใจกันอาจารย์หมออวยอยากไปเป็นกำลังโฮ้ ักท่านสิงทองใหญ่เลยเที่ยวนะท่านสิงทองเล่าให้ฟังทีนี้ท่านสิงทองก็เป็นพระกล้าหาญด้วยไม่ใช่เป็นพระออนแอดพระโกโรโกโซนะท่านพูดมันน่าฟังเราเองก็เชื่อเพราะเราเชื่ออยู่ก่อนนั้นแล้วเรื่องเหล่านี้โหมันน่ากลัวจริงๆนะท่านว่าตัวมันขนาดเท่าลำตาล แล้วมันขู่ฟ่อฟออยู่บนหัวเราใกล้ใกล้ฝ่ามือเดียวเท่านั้นมันเหมือนจะกลืนเอาเลยเสียงห่อห่อแต่มองหาตัวไม่เห็นครั้นเวลาจุดไฟมาหาไม่เห็นไปไหนก็ไม่รู้พอดับไฟสักเดียวขึ้นอีกแล้วเขาเรียกผู้ทอกเราเคยผ่านไปผ่านมาเราเที่ยวกรรมฐาน แต่ไม่เคยขึ้นพักค่ำที่ว่า เสือกลัวหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ตือ้ออจละธรรมโมเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นองเ์หนมีจิตใจคร้าหางชามชัยมากท่านมีอายุพรรษามากกว่าหลวงตา ในเรื่องที่ว่าเสือเกรงกลัวท่านนั้นหลวงตาเล่าถึงที่มาดังนี้อย่างหลวงปู่ตื้อดังที่ผู้เท่าเล่าให้ฟังคือคาถาของผู้เท่าเป็นคาถาที่ทําให้เสือใจอ่อนกลัวใจไม่มีกําลังจะต่อสู้คาถามันครอบเอา อำนาจของคาถาครอบเอาไว้เสือใจอ่อนลงไปเลยทำอะไรไม่ได้ท่านมีคาถาขู่เสือเป็นครูเสือก็ได้ขู่เสือก็ได้หากครูแบบหนึ่งเป็นครูแบบพักไม่ได้ขี่เสือหลวงปู่ซื้อบ้านขาสามผงเราเคยได้พักอยู่เหมือนกันแต่ก่อนไปภาวนาเสือชุมมากแถวนั้น หลวงปู่ตื้อท่านมีคาถาเป็นครูเสือไปอยู่ไหนเสือมักมานอนเฝ้าอยู่ ร, บรอบๆข้างๆที่ท่านพักท่านไปอยู่แม่ห้องสอนไปอยู่ในป่าเสือก็มาอยู่ด้วยเสือโคร่งใหญ่นะมันมาแอบอยู่ด้วยผู้เท่าไม่ได้สนใจกลัวมันแหละเพราะเป็นครูมันคนอื่นนั่นสิพระไปอยู่ด้วยพอดีกลางคืน ระปวดเบาจะออกมาเบาออกมาเสือมันนอนอยู่ข้างข้างเสือหอ่อห่อใส่เสียงร้องจ้าวิ่งมันไม่มีอะไรมันจะเป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรแหลกหลวงปู่ตื้อบอกไม่เป็นไรมันตื่นบางทีมันอาจทักทายเฉยๆก็ได้ท่านว่าอย่างนั้นมันโฮกโฮกใสยท่าน พระก็โดดเข้ากุฏิกุฏิพังกระมังพระองค์นั้นมาอยู่ได้คืนเดียววันหลังเพ่นเลยกลัวเสือโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรแหละอยู่จะเป็นไรไปมันก็อยู่กับคนดีแล้วนี่ท่านว่างั้นนะมันอยู่แอ บ, บๆอยู่นี้ไม่ออกมาหาคนแหละ บางทีก็เห็นตัวบางทีไม่เห็นมันอยู่ในป่าคนอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามีคนแปลกหน้ามามันคำรามนะท่านว่าให้มันทำมันไม่ทำและเพราะมันเป็นหมาของพระว่างั้นเถอะรักษาเจ้าของใครมาแปลกแปลกหน้านี่ไม่ได้มันขู่คำรามว่างั้นอย่าไปขู่คํานะ พอท่านว่ายงนั้นมันก็เงียบเลยเวลาท่านไปไหนมาไหนเสือมักจะตามไปรักษาท่านรักษาเงียบๆนะมันอยู่ในป่าแหละเสือท่านไปพักภาวนานี่เสือมักจะมาอยู่ข้างๆถ้ามีคนแปลกหน้ามาเราถึงจะรู้ว่ามีเสือนะถ้าไม่มีคนแปลกหน้ามาก็เหมือนไม่มีเสือ มันไม่แสดงตัวมันอยู่ ร, บรอบๆข้างๆถ้ามีคนแปลกหน้ามาพระแปลกหน้ามามันคำรามใส่พระเลยตกใจร้องเสือเสือหลวงปู่ซื่อบอกไปว่าโอ้ยไม่เป็นไรแหละมันรักษาพระมันอยู่นี้เป็นประจำไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมัน นี่หลวงปู่ตื้อเป็นอย่างนั้นนะท่านว่าข้ามไปเที่ยวตั้งห้าอำเภอมันยังตามไปนะเสือตัวนี้อันนี้เรายังไม่เล่าให้ฟังถึงเรื่องเจ้าคณะอำเภอเขาจะมาขับไล่ท่านอันนี้ขบขันดีนะตอนกลางคืนแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้ามีแต่ตะเกียงเจ้าพายุ เจ้าคณะอำเภอเห็นท่านไปอยู่ในป่าจะมาขับไล่ท่านจุดเกียงเจ้าพายุหิ้วมากลางคืนจะมาขับไล่ท่านพอมาถึงวัดเสือตัวนั้นออกมาคำพราหมเลยเฮ้อเฮ้อทางนี้เปิดเดิร์นตะเกียงเจ้าพายุคงจะตกปลาในน้ำโขงไปใหญ่เลยตกลงเสือขับเสียก่อนระนั้น ยังไม่ได้มาขับหลวงปู่ตื้อถูกเสือขับเสียก่อนแล้วเห็นใหญ่เลยไปใหญ่เลยแตกทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระแตกไปด้วยกันหึหึเลยเสือมันคำรามใส่มันยังไม่ทําอะไรแหละมันก็เหมือนกับหมามีเจ้าของก็คาถาทั้งครอบใบหนี่มันกลัวใจมันลงมันไม่ถือเป็นฆ่าสึก ถือเป็นเหมือนเจ้าของ